ภาคหนึ่งความสำคัญของพระไตรปิฎกความสำคัญของพระไตรปิฎกต่อการทำโรงรักษาพระศาสนานั้นเราจะเข้าใจได้ชัดยิ่งขึ้นเมื่อมองเห็นความสัมพันธ์ของพระตรปิฎกกับส่วนอื่นๆของพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกกับพระรัตนตรยัย เหตุผลหลักที่พระไตรปิฎกมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดก็คือเป็นที่รักษาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นไตรสรณะของชาวพุทธทุกคนเช่นกันดังนี้หนึ่งพระไตรปิฎกเป็นที่สถิตของพระพุทธเจ้าอย่างที่ได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าธรรมวินัยจะเป็นศาสดาแทนพระองค์เมื่อพระองค์ป ร, ริฤณิพานไปแล้วในแง่นี้ชาวพุทธ จึงยังคงสามารถเข้าเฝ้าพระสัสดาในพระไตรปิฎกได้แม้พระองค์จะล่วงลับไปกว่า 2,500 ปีแล้วก็ตาม 2. พระไตรปิฎกทาหน้าที่ของพระธรรมเรารู้จากพระธรรมวินัยคือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกพระธรรมวินัยนั้นเราเรียกสั้นๆว่าพระธรรม เวลาเราจะแสดงอะไรเป็นสัญลักษณ์แทนพระธรรมเราก็มักใช้พระไตรปิฎกเป็นเครื่องหมายของพระธรรมสพระไตรปิฎกเป็นที่รองรับพระสงฆ์พระสงฆ์นั้นเกิดจากพุทธบัญญัติในพระไตรปิฎกหมายความว่าพระภิกษุทั้งหลายที่รวมเป็นภิกขุสังฆ ค, คือภิกษุสงฆ์นั้นบวชขึ้นมา และอยู่ได้ด้วยพระวินัยวินัยบิดกเป็นที่บรรจุไว้ซึ่งกฎเกณฑ์กติกาที่รักษาไว้ซึ่งภิกขุสังฆะส่วนสังฆะนั้นก็ทําหน้าที่เป็นผู้ที่จะรักษาสืบทอดพระศาสนาสังฆะจึงผูกพันเนื่องอยู่ด้วยกันกับพระไตรยปิฎกรวมความว่าพระรัตนไตรัยต้องอาศัยพระตรยปิฎก เป็นที่ปรากฏตัวแก่ประชาชนชาวโลกเริ่มตั้งแต่พุทธศาสนิกชนเป็นต้นไปพระตรยปิดกจึงมีความสําคัญในฐานะเป็นที่ปรากฏของพระรัตนตรยัยดังนั้นการทำโรงพระตรยปิดกจึงเป็นการทํารงไว้ซึ่งพระรัตนตรยัยซึ่งก็คือการทํารงรักษาพระพุทธศาสนา หัวข้อพระตรยปิฎกกับพุทธบริษัทสพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าพระองค์จะบริณิพานต่อเมื่อพุทธบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายทั้งปวงคือพระภิกษุทั้งเทระทั้งมัชิมะทั้งนาวกะภิกษุณีก็เช่นเดียวกันพร้อมทั้งอุบาสกอุบาสิกา ทั้งที่ถือพงมาจันทร์และที่เป็นผู้ครองเรือนทั้งหมดต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาได้คือหนึ่งต้องเป็นผู้มีความรู้เข้าใจหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้ดีและประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้องตามคําสอน 2. นอกจากรู้เข้าใจเองและปฏิบัติได้ดีแล้ว ยังสามารถบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนผู้อื่นได้ด้วย 3. เมื่อมีปรับวาดเกิดขึ้นคือคำจ่วงจาบสอนคลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินันก็สามารถชี้แจงแก้ไขได้ด้วยตอนที่พระองค์จะปรินิพพานนั้นมานก็มากราบทูลว่าเวลานี้พุทธบริษัทสี่ มีคุณสมบัติพร้อมอย่างที่พระองค์ได้ตรัสเหมือนกับเป็นเงื่อนไขไว้แล้วพระพุทธเจ้าทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นอย่างนั้นจึงทรงรับที่จะปรินิพานโดยทรงปลงพระชนมายุสังขารพุทธดํารัดนี้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าทรงฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัททั้งสแต่ต้องมองให้ตลอดด้วยว่า ส่งฝากพระพุทธศาสนาไว้กับพุทธบริษัทที่เป็นอย่างไรชาวพุทธจะเป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องที่จะลงพระศาสนาไว้ก็เริ่มด้วยมีคำพีที่จะให้เรียนรู้เข้าใจพระธรรมวินัยอันเป็นของแท้ก่อนเป็นอันว่าในแง่นี้พระไตรปิฎกก็เป็นหลักของพุทธบริษัท ต, ต้องอยู่คู่กับพุทธบริษัท โดยเป็นฐานให้แก่พุทธบริษัทซึ่งจะทำให้ชาวพุทธมีผู้มีคุณสมบัติที่จะรักษาพระศาสนาไว้ได้สองฝ่ายนี้คือตัวคนที่จะรักษาพระศาสนากับตัวพระศาสนาที่จะต้องรักษาต้องอาศัยซึ่งกันและกันพระศาสนาจะดำรงอยู่และจะเกิดผลเป็นประโยชน์ก็ต้องมาปรากฏที่ตัวพุทธบริษัทสี 4. ต้องอาศัยพุทธบริษัทสีเป็นที่รักษาไว้พร้อมกันนั้นในเวลาเดียวกันพุทธบริษัทสีจะมีความหมายเป็นพุทธบริษัทขึ้นมาได้และจะได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็เพราะมีธรรมวินัยที่รักษาไว้ในพระไตรปิฎกเป็นหลักอยู่